ดารินยิ้มออกมาอย่างมีชัยตาเป็นประกายแจ่มใสขึ้นหล่อนโล่งใจไปถนัดที่กำลาบเจ้านักเลงใหญ่ชาวดอยลงได้ใช่จะว่าเรามีเวทมนตร์คาถาอยู่ในลูกปืนก็ได้เอาเถอะเราไม่ถือสาเจ้าหรอกว่าแต่เดี๋ยวนี้เจ้าเชื่อหรือยังว่าพวกเราจะช่วยปราบงูยักษ์ให้เก็ดเจ้าได้ขยินนิ่งไปครู่สีหน้ามีกังวลกลิ่งเกรงแล้วก็ถอนใจยาวพวกท่านยิงปืนได้แม่นก็จริง แต่งูตัวนั้นใหญ่เหลือประมาณเท่าต้นรังขนาดห้าหกคนโอบปืนอะไรจะฆ่ามันได้ก่อนที่มันจะฆ่าเราเจ้ายัางไม่รู้จักอำนาจปืนของพวกเราพอขยินเชิฐถากล่าวขึ้นให้ห้าวแล้วหันมาพยักหน้ากับสหายชายยันรู้ทีเดินกลับเข้าไปในกระโจมอีกขวาจุด 4-5-7 ห้าเ็ดแมกน้ามแอฟริกันที่เชิฐถาใช้ประจำมืออยู่ออกมาหัวหน้าคณะยิ้มเล็กน้อย บุยปากให้ขยินดูไปที่ปืนอันถืออยู่ในมือของชายยันนั่นเป็นปืนกระบอกเล็กๆของเราเท่านั้นแต่เราก้าพนันกับเจ้าได้ว่าจะไม่มีสัตว์ตัวใดในโลกนี้ทนปืนกระบอกนั้นไปได้ไม่ว่ามันจะใหญ่โตสักขนาดไหนหัวหน้าบ้านหล่มช้างเข้ามามีเมียงมองๆดูไรเฟิลในมือของชายยันอย่างสนใจเอื้อมไปรูปคำอดีตนายทหารปืนใหญ่จึงส่งให้ขยินรับมาส่องดูเส้นผ่าศูนย์กลางของลำกล้อง แล้วขอดูลูกพอชัยยานส่งให้หยิบมาพิจนาพลิกไปพลิกมาเดาะช่างน้ำหนักแล้วสั่นหัวอย่างไม่ศรัทธาลูกเล็กแค่นี้เองยิงงูตัวนั้นไม่ตายแน่ลูกมันเล็กก็จริงแต่อำนาจมันโตกว่าลูกหลายพันเท่าชัยยานบอกขยินจับคางเอียงคอคิดเหมือนจะใข่ควรดูว่าตนเองถูกหลอกหรือเปล่าแล้วหันไปพูดกับพระพีนสองสามค เมื่อคณะนายจ้างถามพรานใหญ่ก็บอกยิ้มยิ้มว่าเขายินสงสัยครับว่าปืนขนาดนี้มันจะแรงสักแค่ไหนผมก็เลยบอกว่าอำนาจของมันพอที่จะตัดต้นยางต้นนั้นพร้อมกับพูดเขาชี้ไปยังต้นยางสูงชะรูดต้นหนึ่งห่างออกไปประมาณ30เมตรใกล้เคียงกับต้นมะขิดลำต้นอวบขนาดขาอ่อนให้ขาดไปได้ เพียงการยิงสี่ห้านัดเท่านั้นขยินอยากเห็นผมก็ว่าจะให้มันเห็นเหมือนกันเชิดถาว่าแล้วมองยิ้มยิ้มไปยังขยินปืนกระบอกยาวทุ่มหัวของเจ้าแรงสักแค่ไหนขยินขยินก้มลงมาดูปืนในมือแล้วรูปคำไปมาอย่างภูมิใจช้างหรือกระสู้ก็ล้มได้ในนัดเดียวถ้ายิงให้ถูกที่เหมาะ เช่นนั้นปืนของเจ้าก็มีอํานาจมากทีเดียวแต่ดูที่ต้นยางต้นนั้นแล้วจงบอกสิว่าจะใช้ปืนของเจ้ายิงสักกี่นัดต้นยางนั้นถึงจะลม้มขยินสั่นหัวโดยเร็วจ้องดูเขาด้วยความประหลาดใจท่านพูดอะไรเช่นนี้ขวานหรือเลื่อยเท่านั้นที่จะทําให้ต้นยางต้นนั้นลม้มแล้วก็กินเวลานานโข อ, อยู่ลูกปืนไม่ว่าจากสิ ก, กี่ร้อยนัดจะทําให้มันล้มได้อย่างไรกัน มันเพียงแค่ทะลุเข้าไปฝังเป็นแผลเล็กนิดเดียวเท่านั้นยิงกี่ทีต้อนอยางต้นนั้นขาดเจ้าคิดว่าปืนกระบอกนี้พอจะปราบงูยักษ์ของเจ้าลงได้หรือไม่เชิดถาพูดขึงขังขยินหน้าตื่นเลือกลากหันไปจ้องปืนในมือชัยยันอีกครั้งถ้าปืนกระบอกนี้ยิงต้อนอยางได้ขาดจริงอย่างท่านว่าขยินก็เชื่อว่างูตัวนั้นต้องตายแต่มันจะเป็นไปได้ยังไง เอาล่ะเจ้าและพวกของเจ้าจะได้เห็นชัดออกไปเดี๋ยวนี้หัวหน้าคณะหลี่ตาเป็นความหมายกับชัยยันอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะหึ่อยู่ในลำคอกระชากลูกเลือนส่งกระสุนขึ้นลำแล้วก้าวออกมายืนเด่นทุกคนหลีกจากทางเบื้องหน้าของเขาไปดรบอยู่ทางด้านหลังขยินเข้ามายืนคอยจ้องดูอยู่ข้างๆอย่างสนใจระพินตะโกนส่งภาษาไล่พวกลูกบ้านที่มายืนมุงออกอยู่ทางด้านหน้า ให้เลี่ยงออกไปพ้นวิถีพร้อมกับกระซิบบอกชายยันมาว่าเริงให้ปนีดหน่อยนะครับวางกระสุนให้ได้เป็นแนวระดับเดียวกันอย่าให้นัดไหนพลาดจากระดับไปผมว่าแค่สี่นัดก็โค้นแล้วอย่าให้ขายหน้าไอ้ลิงธโมนี่ล่ะเรากำลังจะทำให้มันเชื่อเราอยู่แล้วดารินบอกมาเบาๆอีกคนนึงเอชักไม่แน่ใจเหมือนกันแท้ไอ้เรามันมือปืนขยะเสียด้วย แล้วมันเรื่องอะไรที่หมายฉันยิงความจริงควรจะให้รัพพินเชิฐาหรือไม่ก็น้อยนั่นแหละชายยันบ่นมาชะงักไปนิดหนึ่งอย่างรังเลเพื่อนสาวก็บอกมาว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะให้พานใหญ่ยิงเพราะพวกนี้เลื่อมสายศรัทธาเขาอยู่ก่อนแล้วพี่ใหญ่เราขณะนี้ก็ไม่สมประกอบส่วนฉันฉันยิงปืนขนาดนี้ไม่ไหวหรอกยกเว้นกรณีที่หมายถึงชีวิต เธอนั่นแหละเหมาะที่สุดแล้วอย่าให้เสียแรงที่ฉันคุยอวดมันไว้เธอต้องแสดงให้แก่ตัวเธอเองและแทนพี่ใหญ่เอาก็เอาถ้ายิงหมดชุดมันยังไม่ล้มก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันชา ย, ยันบนอุบอิบมาแล้วสูดลมหายใจลึกวาดปืนขึ้นประทับไรลกะเลงไประดับกลางลำตัวเป้าหมายแรกคือริมสุดของลาต้นด้านซ้าย แล้วเสียงของมันก็แผ่สะเทือนเลื่อนลั่นรามฟ้าผ่าไปตลอดทั้งบริเวณหมู่บ้านและขุนเขาที่ล้อมรอบอยู่ลิงข้างบางชนีส่งเสียงลั่นขึ้นอย่างตกใจกำปนาตของเสียงก็ดีแรงอัดของอากาศที่มันระเบิดออกไปก็ดีทำให้ขยินผู้ยืนเท้าเอวอยู่ใกล้ๆอย่างชาราใจถึงกับพงะออกมาสองสาก้าวขีหูร่วงกราวฝุ่นเพื่อนหน้าห่างออกไป3สีว่วาปลิวครุง้ง ร่ากับถูกพัดลมขนาดใหญ่เป่าในระยะที่จัดได้ว่าเผาขนของไรเฟิลขนาดนี้มือของชายยันเที่ยงพอใช้ทีเดียวตำแหน่งกระสุนตกตรงตามเป้าหมายที่เขาต้องการนัดที่สองเขาก็ปล่อยออกไปอีกอย่างใจเย็นคราวนี้ขยินถอยห่างออกไปหลายก้าวแยกเขี้ยวคอยรบับกับกัมปนาสะเทือนเรื่อนร้านที่ทาอันตรายต่อแก้วหูมันก็ลงเป้าหมายที่ต้องการอีก ต้นยางสถานไปทั้งต้นมองเห็นถนัดราวถูกจุงขนาดใหญ่กระทุง้งนัดที่สและสเรียงเข้ามาระดับเดียวกันอีกอย่างแม่นยำประกอบกับที่ลมกันโชคปรากฏเสียงลั่นเปรีย้ยพอชายยันกระชากปลอกซองนัดสุดท้ายออกเขาก็ไม่จำเป็นต้องบระ จ, จุเพื่อยิงใหม่อีกแล้วเพราะมันลั่นสนันวันไว้ขึ้นด้วยแรงลมช่วยหักโค่นคืนลงไปกับพื้นทางเบื้องหลังทับหมู่ไม้เล็กอแรกแรกวินาท ราวกับถูกตัดเรื่อยตรงบริเวณที่กระสุนจะเลียงแถวนั้นขยินครางอะไรออกมาจากลำคอคำหนึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพิสวงขีดสุดพวกบริวารลูกบ้านทั้งหลายก็แซ่แซดไปหมดกระดูกของงูยักษ์คงจะไม่แข็งไปกว่ายางต้นนั้นไม่ใช่หรือขยินเชษฐาหาันไปกำราบขยินอย่างได้ทีใบหน้าอันซีดด้วยความตกใจของหัวหน้าบ้านดมช้างค่อยมีสีเลือดขึ้น แววตาฉายแสงยินดีและบังเกิดความหวังท่าทีโอหังดูหมินเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปหมดความเลื่อนสายศรัทธาและยำเกรงเข้ามาแทนที่ขยินไม่กลัวงูย้างอีกแล้วปืนของท่านมีฤทธิ์วิเศษกว่าปืนที่ขยินเคยเห็นที่เจ้าเห็นนี่เพียงกระบอกเล็กเท่านั้นแล้วยังมีใหญ่กว่านี้อีกลิตมากกว่านี้ยิงทีเดียวลิงบนยอดไม้ตกลมาตายเพราะเสียงของมัน เจ้ารองฟังเสียงดูไหมดารินขู่สำทับขึงขังมาอีกคนขยินรีบสันหน้าโดยเร็วขยินเชื่อแล้วขยินไม่อยากฟังเสียงกลัวหูแตกคณะนายจ้างก้านหัวราอจนหน้าแดงไปตามๆกันเจ้าควรจะยินดีที่พวกเรามาถึงหมู่บ้านเจ้าในครั้งนี้ไม่ต้องกลัวมันหลอกขยินมันไม่ได้เป็นงูผีงูเจ้าอะไรทั้งสิ้นถ้ามันโผล่มาอีกมันต้องตายแน่ พวกเราก็กำลังตามมันอยู่เพราะมันเอาควายของเราไปกินสิตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้พวกเจ้ายิงกลัวมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งลังควานพวกเจ้าเท่านั้นเชษฐากล่าวปลุกปลอบใจมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นมิตรขยินกับพวกทุกคนจะช่วยท่านด้วยดีแล้วเจ้าควรจะต้องให้ความร่วมมือกับพวกเราด้วยช่วยกำกันจัดมันลงให้ได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน แต่เราต้องการคํามั่นสัญญาอย่างหนึ่งจากเจ้าในการปราบงูยักษ์ครั้งนี้เจ้าจะให้ได้หรือไม่ดารินตั้งคําถามมาอย่างสบช่องนายหญิงจะเอาคํามั่นสัญญาอะไรเมื่อเราปราบงูตัวนั้นลงได้สําเร็จเจ้าจะต้องยอมให้มุลูกชายของเจ้าได้อยู่กินกันกันกบนางอั้วอันเป็นคนรักของมันอย่างมีความสุขอย่าได้ขาดขวางกีดกันอีกเป็นอันขาด และให้ทั้งสองอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปที่แล้วมาเจ้าทำผิดมากรู้ไหมขยินขยินยิ้มแค้นๆออกมาอีกนิดหนึ่งหลบตาหล่อนลงพื้นแล้วจำเลืองไปทางพรานใหญ่แลวพินพก็พยักหน้าบอกมาอีกคนหนึ่งนายหญิงพูดถูกแล้วขยินเจ้าทำผิดมากที่ขับนางอ้วออกไปจากหมู่บ้านและคอยขีดกันไม่ให้มุอยู่กินกับนางจนกระทั่งมุต้องหนีตามออกไปด้วยเพราะมันรักกันมาก แล้วมุกก็ต้องเกือบตายอย่างที่เจ้าเห็นอยู่แล้วดีแต่นายหญิงเป็นหมอช่วยรักษาไว้ดได้ทันมุอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีนางอั้วที่มันลักงนางอั้วตายมันก็ตายด้วยแล้วมุกเป็นใครไม่ใช่ลูกของเจ้าที่จะเป็นนายบ้านของที่นี่สืบแทนเจ้าต่อไปหรอกหรือเจ้าก็มีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นขยินถอนใจยาวเงยหน้าขึ้นแววทิฏฐิดื้ดึงจางลงพูดมาด้วยน้ำเสียงแหบห้าวว่า โดยแท้จริงมูจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของมูเลหัวหน้ากะเหลียงฝั่งโน้นกำหนดกันไว้มั่นเหมาะแล้วในคืนเดือนเต็มดวงคราวหน้าการผิดสัญญาก็คือการเสียมิตรเห็นทีขยินกับมูเลที่รักกันมานานจะต้องแต่ความเป็นสหายการเสียในครั้งนี้ก็เพราะเจ้ามุเป็นต้นเหตุอย่างนั้นเจ้าก็ับลูกสาวของมูเลมาเป็นเมียเสียเองสิ บุญคำผู้คุ้นเคยกันดีกับขยินสอดพร่องขึ้นมาทําให้ทุกคนต้องหัวเราะยกเว้นขยินผู้หันไปมองพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมด้วยสายตาขุนขุนขยินทําอย่างนั้นไม่ได้ขยินไม่เหมือนแกตาเท่าบุญคำแกมีเมียเด็กๆคราวเดียวกันได้หลายคนคําตอบของขยินเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนให้ดังยิ่งขึ้นด้วยความขบขันคึกครื้น บุญคำสบทด่าอุบิบแล้วเงียบไปไม่เอ่ยอะไรออกมาอีกเพราะเสียท่าเข้าตัวเองเพื่อตัดความกังวลใจของขหยินให้หมดสิ้นไปแล้วพินจึงเข้ามาตบไหล่บอด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าลูกชายของเจ้ารักไข่กับนางอ้วไม่ได้รักลูกสาวของมูเรซึ่งเจ้ากับมูเรเห็นชอบกันเองจะมีประโยชน์อะไรที่จะให้มูแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักเมื่อเจ้าพบกับมูเรก็จงบอกถิว่า นี่เป็นข้อแนะนำจากเรามูเรเองก็ชอบพอและเชื่อฟังเราอยู่คงไม่เกิดเรื่องที่เจ้าวิตตกใดๆขึ้นหรอกพรานใหญ่มีความเห็นเช่นเดียวกันกับท่านเหล่านี้เลยถูกแล้วเรามีความเห็นเช่นเดียวกับท่านเหล่านี้และเป็นความเห็นที่ถูกต้องที่สุดถ้าเช่นนั้นขยินก็จะปฏิบัติตามขยินให้สัญญาเสือเท่าขยิน ผู้บัดี้เชื่องเหมือนลูกแมวยอมรับคําอย่างว่าง่ายขณะนายจ้างทั้งสามพากันยิ้มออกมาได้อย่างโร่งใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างตกลงกันได้เป็นในทางดีเกินคาดและพินหันไปทางกลุ่มนายจ้างสบายใจได้แล้วครับพวกนี้ป่าเถื่อนก็จริงแต่รักษาคําพูดยิ่งกว่าคนเจริญเสีอีกลงให้สัญญาตกหมากรับคําแล้วเช่นนี้จะไม่มีคืนคําหรือมีเล่บบิดพลิ้วเป็นอันขาด ต้องเล่นจิตวิทยาการเสียแทบแย่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ถ้าขยินไม่เลื่อมใสคุณเสียคนเดียวเราคงไม่มีโอกาสได้ทำความเข้าใจอะไรกับเจ้านี่ได้เลยอย่างมากก็รบกันเท่านั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่กระซิบมาขยินถามถึงอาการของมุลูกชายอีกครั้งหนึ่งสอให้เห็นชัดว่าสัญชาตญาณเป็นห่วงระหว่างพ่อกับลูกยังคงมีอยู่โดยรึกซึ้ง แม้ว่าอาการภายนอกจะโกรธแค้นชิงชังสัตเพียงใดก็ตามดาลินให้คำมั่นสัญญาเจ้ามุจะต้องมีชีวิตรอดปลอดภัยจากบาดแผลจากการภายในวิชานี้โดยการรักษาอย่างสุดฝีมือของหล่อนและยังไม่ยอมมอบตัวมูให้แก่ขยินไปตามที่บิดาของคนเจ็บขอมาอาการของมุยังอยู่ในเขตอันตรายหล่อนบอกด้วยน้ำเสียงปลาณีแต่ก็แฝงไว้ด้วยแววเฉียบขาดมีอำนาจ เรายังมอบตัวมูให้แกศเจ้าไปไม่ได้แม้เจ้าจะสัญญาแล้วว่าไม่จะทำอะไรเขาก็ตามเขาจะต้องได้รับการรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดจากเราที่นี่จนกว่าจะแข็งแรงขึ้นเจ้าจะมาดูแลเยี่ยมเยียนลูกของเจ้าได้ทุกเวลาที่ต้องการเราไม่หวงห้ามขยินได้ยินถ้อยคาของหล่อนดังนั้นก็ไปยักหน้ารับโดยสงบไม่มีปฏิกิริยาเช่นไรอีกจากนั้น เชษฐาก็สั่งให้ระพินมอบสิ่งของที่ตัดเตรียมมาสำหรับเป็นของกำนันให้แก่ขยินมีเกลือสมุนสองกระสอบใหญ่เนื้อสัตว์ย่างรมควันที่ยิงได้ระหว่างทางสองกียนเต็มๆรวมทั้งหนังและเขาดินดำสำหรับเชื้อปะทุ ป, ปืนเพลิงรวมทั้งตะกัวที่จะใช้หลอมทำลูกกระสุนซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าขยินจะตื่นเต้นยินดีสักเพียงไรสำหรับสิ่งของจำเป็นเหล่านั้น สิ่งที่พวกโกลมช้างดีใจที่สุดก็คือเกลือสมุดอันเป็นท่าจำเป็นและหาได้ยากสำหรับพวกชาวเขาซึ่งตามปกติแล้วพวกนี้ได้อาศัยท่าเกลือจากดินโป่งซึ่งหาได้ยากเย็นแร้นแค้นรสชาติก็ผิดกันไกลกับเกลือทะเลมันมีค่าสำหรับพวกเขาเสียยิ่งกว่าทองซ้ำไปขยินหน้าแดงกำ่ำด้วยความปราบลืม้มจนเห็นได้ชัดประสานมือไว้ตรงหน้า โอมหัวให้แก่คณะเดินทางจากกรุงเทพอยู่งกงกพร้อมกับพร่ำกล่าวถึงการทราบซึ้งในบุญคุณซ้ำซากไม่หยุดปากแล้วก็เป่าร้องเรียกลูกบ้านทั้งหมดมาประชุมแน่นขนาดอยู่ที่ลานกว้างหน้าแคมป์พวกนั้นเมื่อโผล่กันออกมาทั้งหมดก็พอจะประมาณได้ว่าร่วม200กว่าคนเป็นชายชะการเสียกว่าครึ่งนอกนั้นเป็นพวกผู้หญิงและเด็กขยินกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนครบต่ําข้าวใบใหญ่กลางลาน ประกาศกล้องไปในบรรดาลูกน้องทั้งหลายที่ล้อมวงฟังอยู่มันบอกกับพวกมันว่าเราจะมาช่วยปราบงูยักษ์ให้ครับและพวกเราเป็นมิตรที่ดีของมันสั่งให้ลูกบ้านทุกคนต้อนรับเราเป็นอันดีผานใหญ่หันมาอธิบายแก่คณะนายจ้างขณะที่มองไปยังขยีนผู้ตะโกนพูดอยู่โบกเวกพร้อมกับทามือทาไม้ประกอบ ลักษณะของขยินเป็นหัวหน้าชมรมที่ลูกบ้านทุกคนเลื่อมใสเคารพยำเกรงเป็นอย่างยิ่งแล้วระพินก็กระโดดขึ้นไปยืนเคียงข้างขยินตะโกนพูดกับพวกลูกบ้านเหล่านั้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับอึ่งขนึงจริงอย่างที่บุญคําบอกไว้ระพินเป็นขวัญใจของพวกชาวป่าชาวเขาทุกชมรมทีเดียวเชิดาพึมพำออกมาอย่างปราโมด ทอสายตาจับไปยังร่างพรานนำทางของเขาด้วยความภาคภูมิใจนี่ถ้าให้มีการโหวตเสียงเลือกตั้งกันขึ้นแล้วก็เสือนี่ของเราคงได้ตำแหน่งจักรพัฒ์แห่งพงไพรทีเดียวแหละเจ้าพวกนี้นิยมเขาเหลือกเกินเขาเปิดป่าได้ทุกป่าเป็นใหญ่ได้ทุกขุมเขามีนาล่ะเขาถึงได้พูดอยู่เสมอว่าป่าดงพงไพรทุกตารางนิ้วเปรียบเหมือนบ้านของเขาเอง ชายยันยอมรับมาอีกคนอย่างทึ่งๆก็เป็นธรรมดาคนที่ฉลาดกว่าเจริญกว่าก็มักจะได้เป็นใหญ่ในหมู่ของคนโง่ดาลินยักไหลพูดมา่อยๆโดยไม่ตั้งใจแต่พี่ชายสันศีสะช้าช้าหันมามองดูน้องสาวยิ้มให้อย่างสุ ข, ขุมเยือกเย็นแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกน้อย คนที่ฉลาดกว่าหรือเจริญกว่าก็ไม่แน่นักว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในหมู่คนที่โง่กว่าได้เสมอไปนักสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่น้ำจิตน้ำใจต่างหากพระพินชนะจิตใจของชาวป่าชาวเขาทั่วไปได้ด้วยความเผื่อแผ่อบอ้อมอรีและเข้าซึ้งถึงจิตใจในคนเหล่านี้ของเขาเขามีฝีมือสำหรับการสร้างพระเดชขณะเดียวกันก็มีความเมตตากรุณาเป็นการสร้างพระคุณรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา และสามารถเข้าถึงจิตใจของพวกนี้ได้อย่างปลุกโปรงซึ่งคุณ ล, ลักษณะประการหลังนี้มันเกิดขึ้นจากกมลสันดานส่วนที่ดีของเขานั่นเองลำพังฝีมืออันเก่งกล้าสามารถอย่างเดียวไม่สามารถชนะใจคนได้หลอกหญิงสาวยักไหล่อีกครั้งเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับคําพูดของพี่ชายแต่ดวงตาเป็นประกายชื่นชมจับนิ่งไปยังเบื้องหลังของร่างที่ยืนเคียงข้างขายินอยู่นั้นพร้อมกับยิ้มน้อย เย็นนั้นคณะนายจ้างทุกคนก็พากันออกเดินเที่ยวเยี่ยมเยือนไปตลอดทั้งหมู่บ้านหล่มช้างด้วยความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในบ้านของตนเองโดยมีขยินเป็นผู้พาเชษฐาใช้ไม้ยันเดินขยกร่วมมาด้วยผู้ที่เดินรวมกลุ่มอยู่ด้วยยกเว้นจากฝ่ายนายจ้างทั้งสก็มีเพียงพรานใหญ่และแง่ทรา ย, ายอันบัดนี้ทําหน้าที่เป็นองครักษ์ประจําตัวเชษฐารวมทั้งเป็นร่ามไปในตัว ก่อนจะขึ้นไปเรือนของขยินตามคําเชิญทุกคนมาหยุดยืนนิ่งอยู่เที่ใต้ต้นตะแบกหน้าลานบ้านที่นั่นมีเกวียนคันหนึ่งจอดทิ้งอยู่แต่งเงียบงันกันไปชั่วขณะเมื่อได้รับการบอกเล่าจากขยินว่านี่ยังไงนายเกวียนของคนที่มากับหนานอินมาฝากทิ้งไว้ตั้งแต่ปีกายก่อนจะออกเดินทางเข้าโดงหายไป ความเงียบเข้ามาปกคลุมชั่วขณะทั้งหมดจ้องนิ่งอยู่ที่ซากเกียนคันนั้นด้วยความรู้สึกภายในของแต่ละคนอันไม่อาจจำแนกถูกแววสรดคลองอยู่ในสีหน้าและดวงตาดารินเคลื่อนช้าๆเข้าไปชิดเกวียนคันนั้นเอื้อมมือไปรูปคำราวกับว่ามันจะเป็นอนุชาวราริตพี่ชายกลางของหลอนน้ำตาซึมคลอเบ้าตาเช่ถากับชายยันก็ซึมนิ่งไปเป็นเวลานาน ต่อจากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นไปบนเรือนอันกว้างขวางของขยินซึ่งให้การรับรองอย่างกุรีกุจอขยินสั่งบริวารให้เร่งจัดหาเหล้าและอาหารมาเลี้ยงแต่แช่ถาบอกว่าเจ้าไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องนั้นหรอกขยินเราเพียงแต่จะมาเยี่ยมและคุยกับเจ้าบนเรือนนี้เท่านั้นเราจะกลับไปกินอาหารของเราเองที่ค่ายพักกันนั้นก็ตามขยินก็ยังไม่วายที่จะส่งไห้เล็กบรรจุเหล้าต้มเองมาให้และเพื่อไม่ให้เสียไมยตรี เชษฐากับชายยันยกขึ้นจิตเพียงเล็กน้อยการสนทนาสอบซักในเรื่องของชดประชากรก็เริ่มขึ้นขยินเพิ่งจะมาทราบเอาเดี๋ยนี้เองว่าคณะจากพระนครทั้ง3เป็นพี่น้องและมิตรของบุรุษผู้นั้นเดินทางมาก็เพื่อจะออกติดตามค้นหาหัวหน้าบ้านหล่นช้างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและคนประหลาดใจขยินเพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เอง นักเรงชาวดอยอุทานขณะที่จ้องพินิษไปยังเชิฐาชายผู้นั้นมีเข้าหน้าเหมือนท่านผู้นี้มากรูปร่างก็สูงตามไล่เลี่ยว ก, กันเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นพี่น้องเชิฐาพยักหน้ารับใช่น้องชายของเราและพี่ชายของนายหญิงคนนี้เพื่อนรักของคนที่จริงต้นยางขาดให้เจ้าเห็นนั่นเขายินครางอะไรออกมาในราคอ เหลือบมองดาลินเนชายยาันอีกครั้งแล้วยิ้มกว้างๆขยินเพิ่งรู้ขยินชอบชายผู้นั้นมากเขาเป็นคนดีกล้าหาญและมีฝีมือเขามากับหนานอินมิตท่าผู้ยิ่งใหญ่ของขยินเพียงสองคนเท่านั้นมุ่งตัดดงดิบนรกดำจะบ่ายหน้าไปเทือกขาวพระศิวะขยินเตือนเขาไว้แล้วว่าอย่าไปแต่เขาไม่ฟังเสียงขยิน นักเรงโตแห่งหลมช้างพูดมาเนิบเนิบมวลบุหรีในใบตองแห้งในมือช้าๆแล้วตีชุดไฟแต่รพินขีดไรเตอร์ส่งไปให้พร้อมกับถามว่าเขามาพักอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ขยินเปลี่ยนสายตามาจับอยู่ที่พรานใหญ่ดูดพ่นควันขมงูงคนชื่อชดกับนานอินมาอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมตัวเพียงสี่วันเท่านั้นแล้วก็ออกเดินทางเข้าดงไป วันที่เขาไปเป็นเวลาเช้าตรู่ขยินกับพวกที่นี่ทุกคนยังออกไปส่งเขาเลยเขาบอกกับขยินว่าเขาจะไม่ตายและจะกลับมาให้ขยินเห็นอีกแต่จนกระทั่งบัดนี้ขยินก็ไม่ได้ข่าวได้ข่าวของเขาเลยจนนิดเดียวเรื่องนี้เมื่อเกือบปีมาแล้วพรานใหญ่ได้ผ่านมาทางนี้และได้ถามขยินทีหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือขยินยังจาได้จอมพรานก้มหน้ารับใช่ เราเคยมาถามเจ้าแล้วในครั้งหนึ่งหลังจากทั้งสองคนนี้ออกจากกลมช้างไปได้ประมาณสักสามเดือนความจริงเราพบทั้งสองคนนั้นที่โป่งกระทิงก่อนหน้าเขาจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านของเจ้านี่พรานใหญ่พบเขาที่โป่งกระทิงเขาบอกท่านหรือเปล่าว่าเขาจะมุ่งหน้าไปไหนเขาบอกเราเหมือนเช่นที่บ่อเจ้า น, นั่นแหละขยินและเราก็ได้ห้ามเขาไว้แล้วเหมือนกันแต่เขาไม่เชื่อ เดี๋ยวนี้เราผ่านมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็เพื่อจะนําเจ้านายทั้งสามตามคนที่ชื่อชดกับนานอินนั่นแหละโอ้ขยินครางสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วก็นิ่งเฉยชายยันก็ถามมาว่าหลังจากนั้นแล้วเจ้าไม่ได้วีแววข่าวคร า, าวอะไรจากเขาจนนิดเดียวหรือขยินขยินได้ข่าวจากทางอื่นแต่ไม่ใช่จากเขาหัวหน้าบ้านกล่าวมาต่ําๆ ประมาณเจ็ดวันหลังจากที่เขาออกเดินทางไปแล้วมีเจ้ากระเหลี่ยงผสมทวายคนหนึ่งมาถามข่าวคราวของนายชดกับนานอินที่นี่แล้วก็ออกติดตามไปในดงขยินไม่รู้ว่ามันตามสองคนนั้นไปพบหรือไม่และถึงไหนแต่ก็แปลกใจที่เห็นมันมากับคณะเจ้านายและเดี๋ยวนี้นั่งอยู่ที่นี่ด้วยว่าแล้วก็หัวเราะห้าวห้าตามองไปยังแง่าย จะหมายถึงแง่ท า, ายผู้นี้กระมังด่าดินชี้ไปที่คนใช้ชาวดงของรอนไอคนนี้แหละแงนายหญิงแง่งาสายก็ยิ้มแล้วตอบคำขยินไปว่าใช่แล้วขยินข้าได้ออกติดตามคนทั้งสองไปเพื่อจะขอสมทบไปกับเขาด้วยและก่อนไปก็ได้มาสอบถามข่าวาวจากเจ้าที่นี่แต่ข้าตามทั้งสองคนไม่พบเขาป่วยระหว่างทางที่ติดตาม รอดชีวิตมาได้ข้าก็ถอยกลับพอดีได้ข่าวที่หนอนหนองน้ําแห้งเจ้านายจะออกติดตามคนทั้งสองนั่นประกาศหาคนสมัครเป็นลูกหาบข้าก็ไปสมัครเจ้าจึงเห็นข้าติดตามมาด้วยนี่แหละชายร่างใหญ่หน้าเฮี้ยมพยักหน้าอย่างเข้าใจหันไปทางคณะพะจนภายชาวพระนครตามสองคนนั่นไปก็ไม่มีประโยชน์ใดหรอกเชื่อขยินเถอะขยินเตือนด้วยความหวังดี ทำไมชายยันขมวดคิ้วกระชากเสียงมาคุนๆขยีนหัวเราะเสียงลึกพูดมาตรงๆ ต, ตามภาษาคนดงว่าพวกท่านจะต้องเสียเวลาเปล่าและจะต้องได้รับเคราะกรรมเหมือนทั้งสองคนนั่นเหมือนอีกหลายๆคนที่เคยพยายามมาก่อนหน้านั้นแล้วหนทางไปสู่เทือกเขาพระศิวะคือแดนมรณะที่ไม่เคยมีใครเคยรอดชีวิตกลับมาได้ แต่ว่าเจ้ามั่นใจว่าชดกับนานอินต้องตายแน่หรือดาลินซักพยายามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นอันเกิดจากความหวาดหวั่นพร่านใจเขาต้องตายแน่นายหญิงและนายหญิงก็ต้องตายเหมือนกันถ้ายังคิดติดตามเขาไปขยินไม่ได้แช่งแต่ขยินพูดตามความจริงคําตอบอย่างตรงไปตรงมาของหัวนหน้าบ้านทำเอาคณะชาวพนันครนิ่งอึ้งไปอีกในที่สุด เชษฐาก็หัวเราะออกมาเบาๆบอกมาว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าความตายรอคอยอยู่เบื้องหน้าตามที่เจ้าและใครๆพากหัวทวงเราแต่เราก็จะไม่เลิกล้มความตั้งใจเป็นั้นขาดเราจะต้องออกตามเขาไปเพื่อให้พบหรือมิฉนั้นก็ให้รู้แน่เห็นชัดกับตาว่าเขาหาชีวิตไปแล้วนั่นคือจุดประสงค์ของเราที่ออกเดินทางมาในครั้งนี้ ฉายร่างยากจ้องหน้าคณะประชภัยทั้งสามไปทีละคนอีกครั้งอย่างพินิษฐ์เขาหน้าของหัวหน้าบ้านเต็มไปด้วยความวิตกกังวลแทนท่านทั้งสามเป็นคนกล้าหาญและมีใจอันหนักแน่นมั่นคงมากขยินขอคารวะน้ำใจแล้วหันไปทางระพินพรานใหญ่จะนำทางให้แก่ท่านทั้งสามนี้หรือถูกแล้วเรารับจ้างท่านทั้งสามนี้มาเพื่อการนำทางครั้งนี้ ขยีนถอนใจลึกพึมพำท่านเป็นจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ท่านรู้จักป่าเขาลำนำไพยไปทั่วทุกแห่งท่านย่อมรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในหนทางมหาวิบาศกเบื้องหน้าเหตุใดท่านจึงไม่ทักทวงท่านทั้งสามเหล่านี้ไว้และผินยิ้มยกไห่เหล้าขึ้นดื่มอย่างเป็นกันเองกับนักเลงชาวดอยเมื่อเราได้รับค่าจ้างที่เราพอใจ หน้าที่ของเราก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือปฏิบัติตามสัญญาจ้างแม้ว่าตัวเราเองจะต้องตายขยินยกมือขึ้นรูปคางพยักหน้าช้าๆขยินรู้ดีเลือดของท่านค้นยิ่งนักแล้วเจ้าละ่ะจะไปกับคณะเจ้านายด้วยใช่หรือไม่ประโยคหลังหันไปถามแง่ายหนุ่มชาวดวงพนเจนจรก้มศีรษะลงอย่างสงบโดยมิกล่าวคาใดขยินก็พูดเหมือนรำพึงว่า เจ้าได้พยายามมาครั้งหนึ่งแล้วและคราวนี้ก็พยายามอีกข้าคุ้นหน้าเจ้ามานานแง่ทา ย, ายแต่ไม่รู้แหล่งที่มาของเจ้าเลยคำลำพึงเบาๆเหมือนจะพูดกับตนเองของขยินเช่นนี้ทําให้ขยินชํำเรืองไปทางหนุ่มพเนจรผู้ลึ ก, กลับก็เห็นแง่า ย, ายยิ้มเฉย อ, อยู่ขณะนายจ้างไม่รู้ความในอะไรในเรื่องนี้เพราะคาพูดของขยินไม่มีใครแปลให้ฟัง เจ้าเป็น